สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกรคนชอบเล่าวันนี้เดโมดของเรื่องดี้ลับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งป่าเขาอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อของท่านผู้แชร์ข้อมูลท่านหนึ่งซึ่งเขาได้การันตีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงผมขออนุ ญ, ญาตสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้แชร์ข้อมูลนํามาเล่าถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันต่ออีกทีนะครับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณเกือบ20บปีที่ผ่านมาในขณะนั้นพ่อของผมยังเป็นโสดอายุได้ประมาณ27 2 8ถึงปียังอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของท่านคือจังหวัดนาราธิวาสที่นั่นจะมีเทือกเขาอยู่เทือกหนึ่งคือเทือกเขาสันการาคีรีและหมู่บ้านที่พ่ออยู่นั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับบริเวณตีนเขาแห่งนี้ ชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปหาของป่าล่าสัตว์บนภูเขามาทำอาหารอันเป็นเรื่องปกติของคนธําบราทั่วไปแถบนั้นการขึ้นไปหาของป่าของคนแถบนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดที่ทุกคนทราบดีก็คือเขาห้ามขึ้นเขาหลังจากสี่โมงเย็นไปแล้วเหตุผลที่ห้ามก็เพราะว่าหากขึ้นเขาไปหลังจากเวลาที่ว่านี้แล้วจะทําให้กลับลงมาไม่ทันพระที่ตกดินและแน่นอนเมื่อหลังจากที่เข้าสู่ช่วงพบค่ําแล้ว อันตรายนานนับประการมากมายก็อาจจะเกิดขึ้นได้และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อของผมได้ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เพราะคิดว่าจะขึ้นไปบนภูเขาด้วยระยะไม่สูงจนเกินไปนักกะว่าจะขึ้นไปพิมพ์เพื่อที่จะไปเก็บผลน้ำหมากรากไม้ซึ่งปลูกไว้ที่เชิงเขาสูงจากพื้นราบไปประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นวันหนึ่งพ่อกับเพื่อนๆ อ, อีกสองคนจึงเดินขึ้นเขาไปด้วยเหตุผลดังกล่าวแม้ว่าขณะนั้นจะเป็นเวลาบ่าย4ี่โมงกว่าแล้วก็ตาม เมื่อพ่อของผมกับเพื่อนๆเดินขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็คือบริเวณที่ได้ทำการปลูกผ ล, ลไม้ต่างๆไว้เพื่อนของท่านคนหนึ่งก็ได้ปีนขึ้นไปเก็บลูกสตอบนต้นเพื่อจะนำกลับไปทำอาหารกินแต่ระหว่างที่กำลังปีนป่ายขึ้นไปเพื่อเก็บลูกสตอที่อยู่นั้นก็เกิดเหตุให้คาดฝันขึ้นเกิดอุบัติเหตุพัดตกลงมาจากต้นสตอร่างนั้นหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างรุนแรงผลคือบริเวณหัวได้ไปฟาดกับโขดหินภูเขา ทำให้เพื่อนของพ่อคนนั้นเสียชีวิตทันทีแรงกระแทกทําให้บริเวณหัวถึงกับแบะแยกออกเป็นแผลชะกันเห็นมันสมองหลายทลักออกมานอกกะโหลกเลือดสดๆพุ่งกระฉูดออกมาจนชุ่มโชกบริเวณตายสนิทโดยไม่มีโอกาสที่จะรอให้ใครได้ทําการช่วยเหลือแม้แต่วินาทีเดียวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนปุบ ป, ปับมันทําให้พ่อผมและเพือเ่อนอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ต่างก็อยู่ในภาวะตกใจเป็นอันมากแรกๆ ก, ก็ถึงกับทําอะไรกันไม่ถูก จนกระทั่งสัตพักเมื่อรวบรวมสติกลับคืนกันมาได้จึงได้ปรึกษากันว่าอย่างไงอย่างไงก็ต้องนํำศพของเพื่อนลงจากเขากลับไปยังบ้านให้ได้เพราะถ้าหากขืนทิ้งศพไว้อย่างนี้มีหวังต้องถูกสัตว์ป่ากัดแทะกินจนเหลือแต่ซากอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นพ่อกับเพื่อนจึงได้ช่วยกันตัดไม้เพื่อ น, นํามาทําเป็นคานหามศพซึ่งกว่าจะจัดการกับศพของเพื่อนได้เวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงครบรอบเข้าไปแล้ว ท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยก็ค่อยๆถูกความมืดแผ่ปกคลุ ม, มทีละน้อยจนในที่สุดท้องฟ้าก็มืดสนิทในช่วงระหว่างทางที่พ่อกับเพื่อนอีกคนกําลังช่วยกันหามศพของเพื่อนกลับลงมาจากจุดที่เกิดเหตุบนเขาอุปสรรคของการเดินทางก็เกิดขึ้นเมื่อรอบๆ บ, บริเวณตกอยู่ในความมืดสนิททําให้การเดินทางกลับทําได้ยากลำบากมากขึ้นพ่อกับเพื่อนจึงตกลงกันว่าจะเข้าไปพักที่เพลิงแห่งหนึ่ง ซึ่งปลูกอยู่ไม่ห่างไปนักเพลิงแห่งนี้ก็เป็นเพิงที่พ่อกับเพื่อนๆได้ช่วยกันปลูกทิ้งไว้นานแล้วเพื่อไว้ใช้สําหรับเป็นที่พักระหว่างที่ขึ้นมาปลูกพืชผักผลไม้บนภูเขาแห่งนี้นั่นเองเพราะหากขืนเดินต่อไปคงต้องหลงป่าเป็นแน่นอนพอเดินมาถึงที่เพิงพักหลังที่ว่านี้แล้วพ่อกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันนําศพของเพื่อนอีกคนนึงวางไว้บนแคร่ไม้จากนั้นก็ได้จุดบุหรี่สูบแล้วก็นั่งคุยกันว่าควรจะทำยังไงต่อไป จะลงไปต่อดีไหมหรือว่าจะรอจนถึงเช้าแล้วค่อยลงไปเพราะมั่นใจว่าคนที่บ้านและชาวบ้านคงจะต้องพากันขึ้นมาค้นหาและช่วยเหลือแน่ๆเพราะชาวบ้านหลายคนรู้ว่าพ่อและเพื่อนๆ ข, นขึ้นมาบนเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะรอการช่วยเหลือจากชาวบ้านทั้งคู่จึงนั่งคุยกันอยู่อย่างนั้นและช่วงหนึ่งเพื่อนของพ่อก็เหลือไปเห็นรังพึ่งแห้งแขวนอยู่ที่เสาเพลิงพักจึงเกิดความคิดว่า น่าจะจุดรังพึ่งแห้งเพื่อใช้ทําคบเพลิงส่องแสงสว่างแทนที่จะจุดไฟแช็กเป็นช่วงๆอย่างที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้คบเพลิงจากรังพึ่งแห้งใช้งานได้เป็นอย่างดีมันทําให้สามารถมองเห็นบริเวณเพิงพักได้ค่อนข้างชัดเจนพ่อจึงนําคบเพลิงมาปักไว้ที่ตรงเหนือศีรษะของศพเพื่อนซึ่งการทําเช่นนั้นมันทําให้มองเห็นสภาพศพของเพื่อนได้ถนัดชัดตาเหลือเกินพ่อของผมบอกว่าขณะนั้นไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเรื่องผีสางหรือวิ ญ, ญญาณอะไรเลยแม้แต่น้อย ท่านจึงนั่งอยู่ใกล้ๆกับศพของเพื่อนขณะที่กําลังพูดคุยกับเพื่อนอีกคนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รู้สึกหวาดระแวงสิ่งใดๆและรู้ตัวได้ซ้ําว่าขณะนั้นท่านและเพื่อนได้กาลังฝ่าฝืาฝนกฎแห่งป่าเขาโดยรู้เท่าไปถึงการเข้าเสีแล้วและผลของมันก็กําลังจะปรากฏออกมาให้ประจักษ์ในอีกไม่กี่นาทีในระหว่างที่พ่อกับเพื่อนกาลังนั่งคอยความช่วยเหลือจากชาวบ้านอยู่นั้นมีสิ่งผิดปกติบางอย่างได้เกิดขึ้นใกล้ๆกับตัวของท่านอย่างหนึ่งโดยไม่คาดคิดมาก่อน นั่นก็คือศพของเพื่อนที่เพิ่งตายไปค่อยๆลืมตาขึ้นทีละน้อยทีละน้อยตอนแรกพ่อก็ยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งเมื่อในตาของศพเบิกกว้างขึ้นและก่อกลิ้งไปมาทำให้พ่อสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนั้นเป็นครั้งแรกในตาของศพกล อ, อกไปมาอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็เหลือกลับขึ้นไปด้านบนจนเหลือให้เห็นแต่เพียงตาขาวอย่างเดียวไม่เพียงเท่านั้นลิ้นของศพที่ห้อยจุกอยู่ที่ปาก ที่บวมเจอเพราะแรงกระแทกขณะตกลงมาจากต้นสตอก็ค่อยๆกระดุกกระดิกทีละน้อยจนกระทั่งมันเปลี่ยนสภาพเป็นการเลียแลบลิ้นกวาดไปมาราวกับกําลังลิ้มรสอร่อยอร่อยของคราบเลือดที่ติดอยู่ตามคอปากสิ่งที่พ่อเห็นกับตาตัวเองขณะนั้นมันทําให้ท่านร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจสุดขีดจนเพื่อนของท่านที่กําลังนั่งนิ่งอยู่บริเวณปลายเท้าของศพสะดุ้งโหยงไปด้วยเมื่อเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกออกไปตามความจริงอย่างที่ได้เห็น แต่เพื่อนของท่านกลับบอกว่าพ่อตาฝาดเพราะเขาไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่พ่อเห็นเลยทางทั้งที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันเมื่อหันไปมองอีกทีศพของเพื่อนพ่อก็กลับไปอยู่ในสภาพลักษณะดังเดิมในขณะที่เพื่อนของพ่อเป็นฝ่ายจ้องมองมันบ้างมันจึงยิ่งทําให้พ่อรู้สึกมั่นใจว่าสงสัยตัวเองจะตาฝาดไปและตัวของพ่อเองก็พยายามที่จะคิดอย่างนั้นหาเหตุการณ์มาจบลงในลักษณะดังกล่าวได้แต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะแค่เพียงชั่วอึดใจต่อมาก็ได้เกิดกระแสลมพัดอื้อเอิญเข้ามาในบริเวณเพิงพัดพร้อมๆกับเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางกระแสลมลักษณะของเสียงเป็นเสียงดังครื่ดคลาดคล้ายๆกับคนที่พยายามจะหายใจแต่ไม่สามารถจะหายใจได้สะดวกและเสียงนั้นก็ดังขึ้นตรงบริเวณส่วนหัวของศพที่วางอยู่บนแคร่ไม่ห่างจากจุดที่พ่อกับเพื่อนกําลังนั่งห่างเท่าใดนักคราวนี้ไม่เพียงแต่พ่อผมเท่านั้นที่สังเกตเห็นในความผิดปกตินั้น เพื่อนของพ่อซึ่งเพิ่งกล่าวหาว่าพ่อตาฝาดไปได้ลุกขึ้นและชะโงกหน้าไปทางที่มาของเสียงนั่นก็คือบริเวณส่วนหัวของศพเพื่อนเพื่อตรวจหาความผิดปกติและในช่วงจังหวะนั้นเองที่เพื่อนของพ่อก็ต้องสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับตะโกน ล, ลั่นเมื่อได้พบกับสภาพอันสุดสยองขวัญสั่นปัสสาวะเกินกว่าจะทนทานได้ในตาของศพเบิเกโพรงและเหลือกลนลานไปมาในขณะที่เพื่อนของพ่อชะโงกหน้าไปมองลิ้นของศพก็เลียไปรอบๆรบิมฝีปาก ขณะที่เสียงดังคลืดคล้าดนั้นก็ดังขึ้นจนได้ยินชัดเต็มสองดูหูทั้งพ่อและเพื่อนพ่อก็ต่างกระโจนออกมาจากเพิงพักแทบไม่ทันต่างคนต่างวิ่งร้องเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะคุมสติกันไว้ไม่อยู่พ่อบอกว่าท่านเพิ่งรู้สึกถึงคําว่าวิ่งป่าราบเป็นยังไงก็เท่านั้นแหละแต่เดชา บ, บุญที่ท่านกับเพื่อนวิ่งออกมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็ได้มาพบกับบรรดาชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่พากันขึ้นมาตามหาด้วยความเป็นห่วงเหมือนสวรรค์ทรงโปรด เพราะหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่พากันขึ้นมาตามหานั้นมีลุงของพ่อซึ่งเป็นคนที่มีวิชาอาคมและเป็นนายพรานใหญ่ผู้มีประสบการณ์ร่วมทางมาด้วยพ่อผมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ลุงฟังจากนั้นจึงได้นําทางกลับไปยังเพิงพักซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของศพเพื่อนพอทุกคนเดินเข้าไปใกล้บริเวณเพิงพักดังกล่าวและมองเข้าไปแสงส่องสว่างของคบไฟที่ปักไว้ภายในเพลิงทําให้ทุกคนมองเห็นร่างศพของเพื่อนนอนอยู่บนแคร่ไม้ ข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้างถูกผูกยึดติดกับขาดไม้ที่ไว้ใช้สำหรับผามและกางข้างศพก็ปรากฏ ร, ร่างของชายคนหนึ่งสวมเสื้อขาวกางเกงสีหม่นสีดำเกรียมร่างสูงใหญ่ยืนทำมือ น, นิ่งอยู่ฮือเสียงของชาวบ้านที่ร่วมขบวนไปด้วยกันสิบกว่าคนส่งเสียงดังเออะบวกเบกด้วยความประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นทาให้ร่างของชายคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามอง ก่ที่จะค่อยๆเรือนรางหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่ไปด้วยทุกคนจากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้พากันเดินเข้าไปในเพิงพักลุงของพ่อได้สอบถามว่าเอาอะไรมาทําคบไฟพ่อของผมและเพื่อนจึงตอบไปว่าได้เอารังพึ่งแห้งมาจุดทําคบลุงของพ่อจึงรีบดับไฟจากครบรังพึ่งแห้งนั้นพร้อมกับบอกว่าคนโบราณในท้องถิ่นเขาถือห้ามไม่ให้เอารังพึ่งมาจุดไฟเพราะเชื่อกันว่า การจุดรังผึ่งจนเกิดเปลวไฟขึ้นมาในระหว่างที่อยู่บนเขานั้นมันเป็นการส่งสัญญาณเรียกผีหรือวิญญาณให้มาหาพ่อผมกับเพื่อนสองท่านไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจึงได้เข้าใจอย่างนั้นเองว่าเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นมันคงมีสาเหตุมาจากการที่ท่านนำรังผึ่งมาจุดเป็นคบไฟเรียกวิญญาณของผีป่าผีเขาให้มาหานั่นเองศพของเพื่อนพ่อที่ขึ้นไปตายบนเขาในวันนั้น ถูกชาวบ้านช่วยกันนําลงมาภายในคืนนั้นและได้ตั้งสวดประกอบพิธีทางศาสนาในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติมิตรทุกคนโดยเฉพาะกับพ่อและเพื่อนของท่านที่ขึ้นเขาไปพร้อมกันในวันนั้นนอกจากความเสียใจที่ต้องเสียเพื่อนรักไปแล้วความหวาดกลัวกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นมันยังฝังอยู่ในความทรงจําไม่เคยลืมเลือนเพราะคงไม่มีอะไรอีกแล้ว ที่จะทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวได้มากมายเท่ากับเหตุการณ์สยองขวัญอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งป่าเขาดังเช่นคราวนั้นเรื่องนี้หลังจากได้เล่าแล้วผมก็คิดออกได้ว่ากับการที่เราจะไปไหนก็แล้วแต่จะอยู่ณสถานที่ใดก็แล้วแต่ทุกที่ล้วนมีกติกาล้วนมีเจ้าของที่เพียงแต่เราถ้าหากไปต่างที่ต่างแดนเราก็ควรจะศึกษาถึงระเบียบในการอยู่ในที่นั้นๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดเรื่องที่เลวร้วายเกิดขึ้นกับเราได้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ